อันนี้พูดถึงคำสามัญนะนะคำว่าทิถีเนี่ยเป็นคำก ล, งกลางๆเฉยที่แปลเป็นไทยๆว่าความเห็นะนะความเห็นนี่เป็นคำก ล, งกลางๆแต่ทำไมที่นี้จึงบอกว่าเป็นอกุศลล่ะทิถีอันนี้เรียกว่าเพราะอารมณ์ต่างกันเนยอย่างหนึ่งคือคำคำธรรมดาแต่มีความหมายต่างกันเนี่ยเพราะคำภีเป็นต้นคำพีหรือเรื่องที่กำลังพูดถึงเป็นตัวกาหนดว่า ทิฏฐิที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะตามคัมภีร์นี้ถ้ายกทิฏฐิเฉยๆเนี่ยให้รู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้รู้ในฐานะญาณใช้ศัพท์ว่าญาณนะตามคัมภีร์นี้นะแต่ที่อื่นก็ทิฏฐิก็เป็นคํำกลางๆเช่นเช่นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแต่ตรงนี้เนี่ยทิฏฐิรู้ว่าต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามุ่งไปที่ปัญญานั้น เรียกชื่อว่ายานอันนี้ตามคัมภีร์นี้นะไม่ใช่ว่าไปใช่กับทฤษฎีนี้ไปใช่กับทุกเรื่องได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในอกุศลจิตนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าความเห็นผิดเท่านั้นชื่อว่าทิฐิทิฏฐินั่นเองชื่อว่าทิฐิคตะเพราะความที่คตะสัพท์เป็นไปในภาวะแห่งทิฏฐิสัพท์นั้นดุจคําว่าสังขารคตังแปลว่าสังขารตมะคาตังแปลว่าความมืด ขะตะตัวนั้นเนี่ยแปลสำนุนว่าไม่ต้องแปลออกมาเลยขะตะเนี่ยโดยศัพท์บางทีแปลว่าไปอ่ะนะทิฐิขะตะเนี่ยไม่ต้องแปลว่าทิฐิมันไปแปลว่าทิฐิเฉยๆฉมันมีศัพที่มีขะตะตามหลังแต่ไม่ต้องแปลก็มีเช่นสังขารขะตะก็แปลว่าสังขารเฉยๆไม่ต้องแปลว่าสังขาร ม, มันไปหรือว่าตมะมะขะตังเนี่ยนะโอ้โหมืดไปอ่นะไม่ต้องไปแปลแบบนั้นแปลว่าความมืดเฉยเยอยนะ พันศับว่าคตะแปลสับตรงๆว่าอย่าไปแปลมันเลยเพราะความหมายเท่ากับศัพท์ข้างหน้าเนีย่ยนะอันนี้ตามหลักไวยากอนนะว่าคําว่าทิฐิคตะเนี่ยนะโซมาณะสาสาคตังทิฐิคตะสัมปายุตังไอคตะตัวนั้นไม่ต้องแปลนีนะอีกอย่างหนึ่งความเห็นผิดที่ไปคือที่หยั่งลงในภายในทิถีหกสิบสองเนี่ยนะทิถีอถไอคำว่าทิถีคตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าหยั่งลงในทิถีหกสิบสอง หรือเพียงความไปแห่งทิฐิคือภาวะอะไรอะไรมีอัตตาเป็นต้นที่พึงเป็นไปในทิถินั้นไม่มีอยู่คือมันมีแต่ทิฐินะไปแต่ว่าไม่มีอัตตาจริงๆอยู่ในนั้นอะไรเลยเนี่ย น, นะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฐิขตะได้แก่ความยึดถือมั่นในสังขารว่าอัตตาตนตัวนี้อัตตานะเป็นของเนื่องด้วยอัตตาเป็นต้นนี่ย น, นะที่เป็นไปว่า คำนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าเนี่ยนะอทางสัจจาพินนเวสะกายะคันธะนะบอกอย่างนี้อใช่อย่างอื่นไม่ใช่เนี่ยนะยืนยันมากเลยนะจิตที่ประกอบแล้วด้วยประการทั้งหลายมีเอกุปปาทะเป็นต้นร่วมกับที่ถีนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าที่ถีคตสะสัมปยุทธ์เนี่ยนะ <c oughs> ถ้ากล่าวถึงคนใหม่ๆเนี่ยนะให้จับตรงนี้เอาไว้นะจึงจะเข้าใจตรงนี้ดี ในห้องเรานี้มีนักเรียนหลายระดับมากตั้งแต่รุ่นเกา่ากึกศึกษามาตั้งแต่ตมายังไม่เกิดกลับเพิ่งมาเรียนก็มีนะมันมีทุกรุ่นหมดเลย อ, อะัอนุบาลถึงอาจารย์สอนอย่างนั้นเอยู่ในนี้หมดอะอเพราะนั้นคำว่าโดยจิตก่อนนะจิตคือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยนะธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นแหละอ่นะแต่รู้อารมณ์แบบดีใจเรียกว่าโสมนัสคือมันทำให้จิตอันนี้มันดีนนะเรียกว่าคนใจดีอย่งนั้นเถอะโสมนัสจิตก็คือคนเนี้ยจิตดีแต่จิตที่ดีอันนี้เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิเข้านนะใจดีแต่มีมิจฉาทิฐิยังไงนย เพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงจิตที่กำลังจะพูดทีนี้ทั้งโสมนัสทั้งทิฏฐิเนี่ยนะเกิดร่วมกับจิตโดย1นึ่งเอกุปปะทะเกิดพร้อมกันเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะทั้งโสมนัสทิฏฐิกับจิตนี้เกิดพร้อมกันเลยเอกุปปะทะเอกะนิโรธนะแล้วก็เอการมณนะ เอกอารมณ์เหมือก็คืออารมณ์เดียวกันก็บ่งถึงถ้าสํานวนปัจจัยใช้ศสาบเดียวว่าสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยนะสัมปยุตตะปัจจัยเนี่ยรู้กันเลยว่าพวกนี้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุเดียวกันเนี่ยนะเอกวัตถุนี้บางทีไม่แน่ถ้าในอารมณ์ ป, ประเพลศก็ไม่มีวัตถุอย่างงี้ยนะ อรูปภพไม่มีวัตถุแต่ที่แน่ๆตรงตัวเลยเอกุปาทาเอกนิโรธเอกาลัมพนาอ น, นิจแน่นอนเลยแต่ในอรูปภพไม่มีวัตถุเอกบะบวกอุปาธาอุปาทาแปลว่าเกิดเนีนย่ยนเชิญถอนเอกะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าอันเดียวนะอันเดียวกันก็ เอกะบวกอารมณ์เอกะบวกอุปาทภะเอกะบวกนิโรธะนิโรธก็ดับนะทีนี้ถ้าจะเข้าใจชัดเรื่องทิฏฐินะในเอกสารที่แจกไปนะข้อสามนี้ยกข้อความมาจากปฏิสัมพิธามัคตรงนี้ใช้คําว่าทิฏฐินะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เขาใช้คําว่าทิฏฐิเพราะมารที่เกียดแก่ก็เลยอนุรักษ์ตามเข้าไปเลยแต่รู้กันว่าอ่านว่าทิฏฐิก็แล้วกัน คือไทยยจะเขียนว่าทิฐิไม่ค่อยเขียนว่าทิฐิของเรามาชินสับว่าทิฐิเป็นส่วนมากแต่ให้รู้กันว่าสิ่งเดียวกันเดี๋ยวไปว่าเขาพิมพ์ผิดไม่ผิดถูกแล้วที่ตั้งแห่งทิฐิแปดเนี่ยเป็นไงนนะทิฐินี่เวลาเกิดขึ้นต้องมีที่ตั้งที่ตั้งคือฐานะหมายถึงเหตุเนี่ยนะเหตุที่ทำให้อความเห็นผิดเกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุทิฐิไม่เกิดขึ้น เหตุที่ทําให้ทิฏฐิเกิดขึ้นคือ1ขันทั้งหลา ย, ยานะหนึ่งขันเนี่ยเป็นเหตุของทิฏฐิสองอวิชชาก็เป็นเหตุแห่งทิฐิ 3. าผัสสะก็เป็นเหตุแห่งทิฐิสสัญญาก็เป็นเหตุแห่งทิฐิหวิตก 6. อโยนิโสมนัสิการ7มิดชั่วแปดปรโตโคสัตที่แปลว่าเสียงจากที่อื่น ที่บายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าขันทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทิฏีเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมขันจึงเป็นเหตุแห่งทิฏีล่ะเดี๋ยนะก็ถ้าไม่มีขันก็ไม่มีทิฏีนะคุณเวลาวันให้ความเห็นง่ายมากเพราะมันมีขันนั่นแหละมันจึงมีทิฏีนะนะไม่ผิดแต่ว่าเข้าใจไม่ล่ะนี่ไอ้ไม่ผิดกับเข้าใจหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั คือขันทั้งหลายนะฮคนที่ผ่านสมณุปัสสนาสูตรในสังยุตตนิกายขันธวรวักเนี่ยจะเห็นเพราะว่าผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะบางทีก็ยึดถือขันทั้งห้าหรือยึดขันใดขันหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ทิฐิก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขันเนี่ยจึงเป็นเหตุแห่งทิฐิเพราะมิจฉาทิฐิเกิดมันเกิดไม่พ้นขันอยู่แล้วเนี่ยนะก็ยึดขันบางคนก็ยึดทุกขันเลยบางคนก็เป็นบางขัน หรือบางคนก็ขันใดขันหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ทิฐิเกิดขึ้นนะนะซึ่งเดี๋ยววันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีเรียนวิชานั้นอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องอธิบายมากคนที่เรียนภาษ า, อ, าอังกฤษคารุนาของมาก็กรุณาตัวเองเหมือนกันนันะก็ให้กรุณาให้เสมอกันต่อไปนะอวิชชาอาวิชชาก็เป็นเหตุแห่งทิฐิถามว่าอาวิชชาเป็นเหตุแห่งทิฏฐิยังไง อวิชาเป็นเหตุแห่งทิฏฐิอย่างนี้ว่ า, านะเคยมีมีกัจจานะพราหมณ์คนหนึ่งก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําไมคนที่ไม่ได้เป็นสัพพัญยูนะตั้งแต่สําคัญผิดว่าตัวเองนี่เป็นสัพพัญยูไอ้ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปนับถือคนที่ไม่ใช่สัพพัญยูทําไมไปนับถือว่าเป็นสัพพัญยูได้นะนะมี่แปลแบบสรุปสรุปเราอะนะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนกัจจานะธาตุนี้ใหญ่นักแลนะอวิชาธาตุนะั่งนั้น อวิชชาธาตุนั่นแหละทําให้คนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าก็สําคัญว่าเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ลูกศิษย์ทั้งหลายไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็ไปนับถือคนที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละธาตุนี้มันใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะคืออวิชชาธาตุนี่แหละเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นสําคัญว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนะคนที่ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดจากธาตุอันนี้แหละคืออวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาก็เป็นเหหตุแ่งทิิฐ อันนี้ข้อสองข้อสาผัสสะเป็นเหตุแห่งทิฐินี่เป็นยังไงผัสสะที่เป็นเหตุแห่งทิฐิเนี่ยนะถ้าอย่างทิฐิหกเนี่ยนะทิฐิหกนี่เกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะทิฐิทั้ง62นะถ้าอ่านพระมชาลสูตรมาดีเนี่ยจะรู้ว่านะทิฐิทั้ง62เลยนะทั้งหมดนี่เกิดจากผัสสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นถ้าไม่รับกระทบผัสสะจะมีทิฐิเหล่านั้นเกิดไหม ไม่มีก็เนื่องจากผัสสนั่นแหละนะถ้าดูทิฏฐิหกทิฏฐิสิสองพรมชาลสูตรจะรู้เลยว่าทิฏฐิทั้งหมดนั้นเกิดจากผัสสนี่นนะหรือสัญญาเนี่ย น, นะสัญญาก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิคือบางคนเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นสำคัญหมายไปก็นึกว่าจริงข้นะด้วยอำนาจสัญญาเนี่ยนะที่คุ้นเคยกันในราเช่นสัญญาวิปลาดเนี่ย น, นะสัญญาตัวนี้ก็เป็นเหตุให้เกิ ด, กดมิจฉาทิฏฐิ ข้อที่ห้านะวิตตกวิตกนี่เป็นเหตุแห่งทิฏฐิอันนี้ก็ตัวอย่างในพรมชาลสูตรเหมือนกันไอ้พวกนักจินตนาการนั้งหลายแล้นี่นะนึกไปเรื่อยนึกไปอดีตเราอาดีตเรามีหรือไม่มีมันน่าจะมีน่าจะมีเฮ้มันมีจริงๆแหละนะก็หาทฤษฎีมาประกอบองค์ประกอบจนยอมรับว่ามีอันนี้ก็เกิดจากนักตรึกเพราะฉะนั้น อ, อดีตมันเที่ยงยง น, นนะ ก, ก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดไปเรื่อย มันสมเหตุสมผลเออใช่เลยเนี่ยนะตอนแรกก็ตรึกไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมพอตรึกไปตรึกมาเอ้มันลงตัวทั้งหลายเรื่องเออใช่ละนะเพราะฉะนั้นวิตกือความความคิดนี้ก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิแต่ว่าอันนี้มิจฉาวิตกนะคือโดยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเพราะทราบ ว, ว่าวิตกเป็นศัพท์กลางๆเดี๋ยวไปบอกแหมนี่คัมมาวิตกเป็นเหตุแห่งมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นะคนละในกันแต่รู้ว่าอากุศลวิตกกันล้วกัน ส่วนอะโยนิโสมนัสิการนี้ก็รู้กันนะเป็นสาธารณะเหตุของอกุศลทุกชนิดถ้าไม่มีอะโยนิโสมนัสิการฉไหนเลยที่จะเกิดนะเพราะว่าอากุศลนี้เกิดจากอโยนิโสมนัสิการเป็นปจัจจัยอะโยนิโสมนัสิการเป็นฉไหนเนี่ยนะก็คือสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงโดยพื้นฐานนะความคิดที่เป็นไปกับสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็น สุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่างามอโยนิโสมนัสิการเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทิฏฐิที่ตั้งตัวนี้แปลว่าเหตุเนี่ยนะทีนี้ในที่ข้อเจ็ดนะมิตรชัวเนี่ยนะสหายเลวเนี่ยนะก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิเหมือนกันเพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เลยว่าในบรรดาเหตุภายนอกที่เป็นไปเพื่อความชิบหายเนี่ยนะ ใช้สัมท์ว่ชิปหายเลยไม่มีอะไรเกินมิดชั่วเหตุภายนอกนะถ้าเหตุภายในก็ไม่มีอะไรเกินอโยนิโสมนัสิกานเหมือนกันที่ที่เป็นไปเพื่อความเสียหายเพราะฉะนั้นเอ่อมิดชั่วนี้ถือว่าเป็นเหตุภายนอกที่สําคัญมากแห่งมิดฉาทิฐิเนี่ยเลยแล้วก็ข้อ8ปดนะประ ต, โตโคโะที่แปลว่าเสียงแต่ที่อื่น หรือสื่อเสีออยงเท่านี้แปลว่าสื่อก็ได้นะสื่อที่ได้รับจากภายนอกเช่นสื่อทีวีโทรทัศน์หรือหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่เธอนะก็มาจากปรตโตโคสะโคสะก็คือโคสนานะการได้รับโฆษณาชวนเชื่อจากจากภายนอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฐิเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าว่างๆสื่อก็ชวนไปกราบต้นกล้วยที กราบก็ไผทีนึงอย่างเงี้ยเนยไปไหว้ควายขาเท้าหมูอะไรเงี้ยแปลกแปลกอะไรเนี่ยนะก็พวกรับทีมงคนตื่นข่าวทั้งหลายแล้เนี่ยนะก็พากันไปมันมีคนเชื่ อ, อางอย่าไปคิดว่าไม่มีผลนะพูดแต่เชื่อหมดอะเนี่ยว่านึกๆอยากโฆษณาว่าก้อนหินอันนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะมากราบมาไหว้จะได้ราบเนี่ยค้นแหกกันมากราบไม่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเอโฆษณาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน ชักชวนให้วิปลุลาและชวนง่ายด้วยนะสายมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นที่ตั้งแห่งหรือเหตุของทิฏฐินะแปดประการด้วยกันนี่นะแปประการพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของมิจฉาทิฏฐิเหตุแต่ประการแต่ละอย่างนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะตัวแรกขันห้าก็โหหลุมใหญ่โตมากก็สองอวิชานี้ก็ธาตุใหญ่นักแร่สามภาษามีทวาลไหนมั่งไม่กระทบภาษะ ไมมีสัญญาล่ะก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงอีกวิตกล่ะก็เวน้นทวิปัญจะซะเนีย่ยนะที่เหลือวิตกอีกแล้วอโยนิโสมนัสิกาเนี่ยถือว่าอากุศลทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะถือว่ามาจากอโยนิโสมหมดเลยมิชัวเนีย่ยนะก็ก็ใครจะบอกว่าฉันเนี่ยเขียนป้ายไว้หน้าอกหน่อยนะฉันนี่ไม่ใช่เพื่อนดีสําหรับเธอสำหรับคุณนะอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีบอกหรอก มีแต่เสนอแหมมิตรภาพมากเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่อาจรู้ได้ต่อไปนะสื่อทั้งหลายที่อ่านเนี่ยนะหรือที่ฟังที่ที่รับรู้นะข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเนี่ยใครจะรู้ว่านั่นเป็นเหตุแห่งทิฐิเนี่ยนะก็ไม่ได้กล่าวว่าทิฐิผิดหรือถูกนะนึกถึงที่โยอมอาจารย์สุธันว่าเมื่อเช้าอะ่ะก็บอกว่าอยู่ทางทางอื่นมายี่สิปีเนี่ยนะ ก็ ค, คือไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับวิชาธรรมะอะไรเลยก็เล่าตั้งแต่ปถมขึ้นไปจนถึงจบปัญญาเอกเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมะอะไรเลยเนี่ยนะก็คือรับสื่ออย่างอื่นมาตลอดมันพอมาฟังอย่างนี้ก็บอกว่ายังไม่ออกความเห็นอะไรแบบนั้นเพราะว่าศึกษาอีกคนละเรื่องกันนั้นอิทธิพลของสื่อเนี่ยสำคัญมากก็สมัยใหม่ก็โหตําราเนีเข้าไปในห้องสมุดของมหาลัยนะโว่นะตาน่าจะมีสัก8ตาหรือ12บสองตาน่ย น, นะ เวลาหน้าวันหนึ่ง48ชั่วโมงจึงจะอ่านจบเยอะเหลือเกิน <c oughs> ทั้งหมดเป็นเหตุของทิฐิได้หมดเลยนะทีนี้พูดถึงว่าทิฐิถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงก็พูดถึงความกลุ่มรุมหรือปริยุทธานของทิฐิเวลาที่ทิฏฐิมันเกิดขึ้นมันกำเริบเนี่ยนะมันกำเริบในลักษณะไหนก็ข้อแรกก่อนทิฐิคตะ เพราะว่าทิฐิเนี่ยมันก็ต้องอย่างลงในทิฏฐิหกสิบสองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะคือไอคว่าไปตัวนั้นมาจากคาว่าคตะเหมือนกันนะทิฏฐิคตะนะแต่มีหลายความหมายด้วยกันบางทีก็ไม่ต้องแปลบางความหมายก็หมายถึงว่าคตะตัวนั้นแปลว่าอย่างลงในทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะก็ไม่มีทิฐิพ้นทิฏฐิหกสิบสองอยู่แล้วก็ต้องนับเนื่องในหกสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งก็สองก็ทิฐิรคชัด หมายคําว่าที่ไหนมันรกๆเนี่ยนะที่ตรงนั้นแปลว่าไปยากข้ามยากว่าพุ่มไผ่เลยนะมีแต่ป่าไผ่ป่าไวายนะแบบปบราหน่อยป่าไวายเต็มไ ป, ปหมดเลยะที่ไม่มีช่องเลยนะถามว่าจะเข้าไปได้ยังไงฉทิฏฐิเหมือนกันเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นอนะ่ะมันไปยากเนี่ยนะไปไหนอ่ะบรรลุมัตผลนิพพานยากนะทิฏฐิเรานี่มันกลางมันกั้นไม่หมด ท่านก็บอกว่าทิฐิอันนี้มันมันรกชัดเหมือนป่าเหมือนกับภูเขาอ่างั้นเดือดข้ามยากทิฏฐิเนี่ยมันเป็นกันดารเนี่ยนะกันตาระคือกันดารเนี่ยคำว่ากันดารนี่หมายถึงว่าสิ่งที่น่ารังเกียจหรือสิ่งนั้นอ่ะมีภัยเฉพาะหน้านะนั่นเรียกว่ากันดารมันน่ากลัวน่ารังเกียจน่าหวาดเสียวโอ้โหมีสิ่งที่ให้ก่อให้เกิดพยันตรายเยอะแยะเช่นอะไรกันดารด้วยโจร เนี่ยนะอันนี้พูดแบบทางนอกก่อนนะกันดานที่ไหนที่โจรชุกชุมเนี่ยที่ตรงนั้นก็มัาขยับไปล้ที่ไหนสัตว์ร้ายเยอะเนี่ยนะก็ถือว่ากันดานหรือที่ไหนไม่มีน้ําดื่มเลยก็ชือว่ากันดานเช่นทะเลทรายหรือที่ไหนหาอาหารได้ยากชื่อว่ากันดานแต่ในความคิดในทิฐิตัวนี้มันทําให้กันดานยิ่งกว่ากันดานพวกนั้นอีกเนี่ยนะทิฐถเนี่ยมันกันดานจริงๆอันนี้เราพูดถึงในความเห็นของพระอริยะนะท่านบอกว่าไอ้ทิฐถเนี่ยมันกันดานมาก มันมันน่ารังเกียจจริงๆแล้วมันมีภัยมากเหลือเกินเนี่ยนะภัยน่ากลัวกว่าอย่างอื่นทั้งหมดแหละทิฏฐินี่เป็นเส้นน้าเสี้นน้ํานี้ผู้การอธิบายว่าไงเส้นน้ําถ้าน้านี่มันต้องไว้ปักใช่ไหมจึงเรียกว่าน้ําก็เสียดแทงใช่ไหมคือเวลามันปักตรงไหนเข้าไปมันก็เสียดแทงเพราะนั้นคำว่าเสียดทิฐิเนี่ย ม, มันเสียดแทงเหมือนกั น, เ, นเสียดแทงเข้าไปในภายในอะนะ